เพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นการฟังเทศฟังธรรมนี้ความจริงเป็นการปฏิบัติธรรมได้สองระดับด้วยกันคือระดับที่หนึ่งคือสมาธิและระดับที่สอง คือปัญญาขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมว่าจะฟังได้ในระดับไหนการฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังได้ในระดับของสมาธิก็คือใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ในการฟังธรรม แทนใช้คําบริกรรมพุทธโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกถ้าท่านนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมต้องการความสงบต้องการสมาธิไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คําบริกรรมพุทธโธไม่จําเป็นจะต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออก ให้ใช้เสียงธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เป็นอารมณ์แทนยังง่ายกว่าจะสบายกว่าการใช้คำบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกท่านที่บางท่านไม่เข้าใจเวลาฟังเทศฟังธรรมอยากจะทำสมาธิควบคู่กันไป ก็จะพยายามใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็จะรู้สึกมีปัญหาเพราะว่ามีเสียงธรรมมาคอยรบกวนใจทำให้ไม่สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เพราะไม่เข้าใจหลักของการฟังธรรม เพื่อเป็นสมาธิการฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการใช้คําบริกรรมพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกจึงไม่ควรที่จะใช้ทั้งสองอย่างมาปนกันในขณะที่ฟังธรรมเวลาฟังธรรมใช้เสียงธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไม่ให้จิตใจ ลอยไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าไม่มีอะไรผูกใจไว้ใจก็จะไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆใจ้ก็จะไม่สงบถ้านั่งคนเดียวไม่ได้ฟังธรรมตอนนั้นจำเป็นจะต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก เป็นที่ผูกใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆใจถึงจะสงบได้ดังนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจไว้ว่าเวลานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นการนั่งสมาธิแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทธโธ ไม่ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกใช้การฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูเท่านั้นให้มีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมเหมือนกับเวลาที่ดูลมหายใจเข้าออกแต่อย่าทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเพราะจะขัดกันพราะจะดึงใจให้ ดึงไปดึงมาให้เอาอย่างเดียวถ้าฟังธรรมก็ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็ต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธเป็นอารมณ์หรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์แล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมามีบางท่านมาถามว่า เวลานั่งฟังธรรมแล้วบริกรรมพุโทโธไปด้วยจะรู้สึกว่ามีการาต่อสู้กันระหว่างคำบริกรรมพุโทโธกับเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปใช้อารมณ์สองอย่างพร้อมๆกันนั่นเองจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทำให้เกิดอาการ อึดอัดเกิดอาการหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาได้จากการฟังธรรมดังนั้นขอให้ทำความเข้าใจว่าการฟังธรรมนี้เราใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ฟังเสียงธรรมไปถ้าฟังไปโดยที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดตามก็จะเป็นการทำสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบถ้าสามารถนึกคิดตามคำสั่งคำสอนได้นึกคิดถึงสิ่งที่ทำกำลังแสดงอยู่ได้ก็จะได้ปัญญาซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนานะการปฏิบัติธรรมนี้ เราแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าฟังธรรมก็ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์เพียงแต่บีสติคอยเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าต้องการได้สมาธิ แต่ให้มีเสียงธรรมคอยยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจไหลไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งใจก็จะนิ่งจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าเราอยากจะฟังให้เกิดปัญญาเราก็ต้องนึกคิดตามพิจารณาตามธรรมที่ได้ยินได้ฟัง อ, อนึกไปคิดไปตามธรรมที่ได้แสดงไว้ก็จะเกิดความเข้าใจอ๋ อ, อรรการปฏิบัติธรรมมีสองระดับระดับสมาธิระดับปัญญาวิธีฟังระดับสมาธิก็ให้ฟังด้วยการจดจ่อให้อยู่กับเสียงธรรมโดยที่ไม่ต้องไปนึกคิดตามธรรมที่ได้ยิน ถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ให้พิจารณาให้นึกคิดตามธรรมที่กําลังแสดงอยู่ซึ่งอาจจะนึกคิดตามได้ในบางระดับถ้าเป็นธรรมที่สูงกว่าที่ยังไม่เคยได้สัมผัสรับรู้ก็อาจจะนึกคิดตามไม่ได้ซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องเป็นปัญหาอะไร เพราะการแสดงธรรมนี้ผู้แสดงมักจะเริ่มจากระดับต้นขึ้นไปสู่ระดับสูงตามลำดับเพราะผู้ฟังนั้นมีระดับสติปัญญาต่างกันมีตั้งแต่ระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาผู้แสดงก็จะแสดง ไล่ตามลำดับไปคือจะแสดงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการทำบุญทำทานเรื่องการนักษาศีลไปก่อนแล้วก็จะแสดงเรื่องการฝึกสมาธิการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติโดยใช้กรรมฐานชนิดต่างๆ ที่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันซึ่งโดยสำหรับผู้เริ่มต้นกรรมฐ า, านที่เหมาะก็จะเป็นพวกอนุสติมีอยู่สิบชนิดเช่นพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณหรือระลึกถึงพระนามของพระพุทธเจ้าเช่นสวดอิทิปิโสภาควาอรหังสัมมาไป หรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตมีที่ยึดเหนี่ยวไม่ไหลไม่ลอยไปกับกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆอนุสติมีอยู่สิบเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติ เทวานุสติถ้าเราศรัทธาเคารพพระเทพเจ้ารูปใดองค์ใดเราจะใช้ระลึกถึงคุณของเทพเจ้าองค์นั้นก็ได้เรียกว่าเทนะเทวานุสติหรือาอนาปนาสติก็การดูลมหายใจเข้าออกกายกตาสติ ก็คือการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นอารมณ์อันนี้เหมาะต่อเวลาที่เราทำงานทำการทำอะไรเคลื่อนไหวด้วยร่างกายเราก็คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่กำลังเดินเช่นเดินจงกรมก็ให้ดูว่ากำลังเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวา ถ้ากำลังทำงานอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเราก็คอยเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบัน นี่ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายคือกายกตาสติหรือถ้าเราจะระลึกถึงความตายก็ได้เรียกว่ามรณานุสสติเวลาใจเราคิดโลภอยากได้อะไรมากมายถ้าเจริญบท มารนานุสติแล้วก็จะนังงบความโลภที่ทำให้ใจไม่สงบได้โลภอยากได้นั่นอยากเป็นนี่อยากไปนน่นอยากมานี่พอเราลึกถึงความตายมันก็จะทำให้ความโลภนั้นหดไปไม่เชื่อเวลาเราไปหาหมอแล้วเกิดหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนี่ ดูซิว่าเรายังจะโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากไปที่นั่นที่นี่หรือไม่พอถ้ารู้ว่าจะตายนี่คนเราไม่อยากจะได้อะไรแล้วอยากจะได้ความสงบอยากจะตายอย่างสงบอยากจะตายอย่างสบายอันนี้แล้วแต่จริตของผู้ปฏิบัติ บางท่านมีจริตที่กล้ า, าหาญไม่กลัวตายก็ใช้มนานุสติแล้วทำให้ใจสงบได้ง่ายได้เร็วแต่สำหรับท่านที่ยังกลัวความตายอยู่พอให้เราลึกถึงความตายก็จะออกสันขวัญแขวนขึ้นมาหรือมีความเส่อมเศร้าขึ้นมาก็ไม่ควรใช้ มนานุสติแล้วแต่จริตของแต่ละท่านถ้ามีอย่างจิตใจอ่อนไหวง่ายใช้พวกพุทธานุสติธรรมานุสตินี้จะดีกว่าเพราะว่าไม่กระเทือนใจอันนี้ยังมีอยู่สิบชนิดด้วยกันให้ผู้ปฏิบัติเลือกใช้เอาตามความเหมาะสม ตามโอกาสเพราะว่าเรามีการกระทํามีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีการเคลื่อนไหวการใช้พุทธานุสติก็ใช้ได้เช่นเรากําลังทํางานเราไม่อยากให้ใจเราลอยไปที่อื่นเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธก็ได้ หรือใช้การเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้อันนี้ใช้แทนกันได้หรือช่วยใช้ช่วยกันได้ถ้าเราเฝ้าดูการแปรงฟันการอาบน้ำแล้วใจยังไม่ยอมอยู่กับการอาบน้าแปรงฟันยังไปคิดอยู่เราก็ใช้พุทธโธช่วยอีกอันหนึ่งก็ได้ บาิกรรมหุทโธพุทโธพุทโธไปดึงใจให้กับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันให้ได้เพราะว่าใจจะสงบเป็นสมาธิได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ต้องไม่คิดถ้าไปอดีตนี่ก็ถือว่าคิดแล้วคิดถึงเรื่องอดีตถ้าไปอนาคตก็ถือว่าคิดแล้วคิดเรื่องอนาคตนี่ ยานันถ้าเราอยากจะได้สมาธิอยากได้ความนิ่งความสงบอยากได้ความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราต้องพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้ระงับความคิดตรงแต่งต่างๆด้วยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเรานั่งเฉยๆการดูลมหายใจนี้ก็จะสามารถทาได้ถ้าเราเคลื่อนไหวทํานู่นทานี่ดูลมหายใจนี้จะยากก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนหรือใช้คำบริกรรมพูดโทแทนคำบริกรรมนี้ดีตรงที่ใช้ได้ทุก สถานการณ์ไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็พุโทโธพุโทโธไปเวลานั่งหลับตาก็พุโทโธพุโทโธต่อได้จึงนิพนคำบริกรรมพุโทโธนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าภาษาปัจจุบันก็เป็นบริกรรมฮิตอันดับหนึ่งเพราะว่ามันเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ แล้วก็ง่ายต่อการเจริญแล้วก็ไม่ได้ทำให้จิตใจมีความหวาดกลัวหรือความหดหู่ใจเหมือนกับการใช้การระลึกถึงความตายอันนี้คือเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาถ้าเป็นธรรมานุสติก็ เราลึกถึงธรรมคุณเช่นบทธรรมคุณสวากขาโตภะควตาธรัรมโมหรือให้เราลึกถึงคําของชื่อของธรรมะคือบริกรรมธัมโมธัมโมไปก็ได้หรือถ้ากําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ก็เป็นการเจริญธรรมานุสติเหมือนกันเพราะว่ากําลังฟังธรรม กำลังฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องบริกรรมธรรมโมไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกอ่า <c oughs> นี่คือเรื่องของระดับที่สองคือระดับปัญญาถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควร เราก็อาจจะฟังให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะธรรมที่เรารู้อาจจะยังเป็นธรรมที่ขั้นต่ำอยู่ถ้าเราอยากจะได้ธรรมที่สูงขึ้นไปเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญา ซึ่งในการฟังธรรมนี้จึงแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันฟังธรรมเพื่อให้เกิดสมาธิความสงบฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังจิตใจของผู้ฟังว่าจะฟังในรูปแบบไหนถ้าอยากจะสงบ <c oughs> ก็ไม่ต้องคิดตามฟังไป คอยฟังเสียงธรรมเป็นอารมณ์ไปใจก็จะไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะสงบได้ถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะให้ความรู้ที่รู้อยู่นี้มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นก็ฟังแล้วก็นึกคิดตามไปทำที่แสดงก็จะแสดงไปตามลาดับอยากขั้น ที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามเราเข้าใจทำขั้นไหนพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีเพิ่มขึ้นไปอกีกตามลำดับแต่พอไปถึงทำขั้นที่เรายังไม่เคยศึกษาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ฟังแบบสมาธิไป ฟังเสียงทำไปเพราะมันเกินระดับความรู้ความสามารถของปัญญาของเราที่จะเข้าใจได้แต่คราวหน้าเราก็มาฟังใหม่เราก็พยายามนึกคิดตามไปจนกว่าจะนึกคิดตามไม่ได้ฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญญาก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนอกจากฟังแล้ว เมื่อฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติด้วยถึงจะทาให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าฟังแล้วนึกคิดไปอย่างเดียวอาจจะยังไม่เกิดผลขึ้นมาเพราะความนึกคิดอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ต้องเอาไปปรับด้วยการปฏิบัติเมื่อปรับกับการปฏิบัติในเหตุการณ์จริงสามารถ ใช้ปัญญากำจัดกิเลสตัณหาได้สามารถดับความทุกข์ใจได้ก็จะรู้ว่ า, เ, าเป็นปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ฟังนี้ยังอาจจะไม่ถูกต้องเพราะเรายังไม่ได้น้อมเอาไปปฏิบัติเอาไปทดสอบนั่นเองการปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนการทดสอบเราไปรับสินค้าจาก ผู้ขายแล้วเขาบอกว่าสินค้าชนนี้นจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าสินค้าที่เราได้มานี้นจะทําได้ตามที่เขาพูดหรือไม่เราก็ต้องเอาไปทดสอบดูเอาไปใช้ดูถ้าใช้แล้วได้ได้ประโยชน์ตามที่เขาบอกไว้ เราก็รู้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีคุณมีประโยชน์แต่ถ้าเราเอาไปใช้แล้วไม่เกิดคุณประโยชน์เราก็จะได้รู้ว่าสินค้านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันปัญญาก็เป็นเหมือนสินค้าที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าเพื่อให้มากาจัดกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับเราพอเวลาเราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราก็เอาปัญญานี้มาใช้ปัญญาท่านบอกว่าสาเหตุของความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราเองเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้กับเราพอเขาไม่ทำ เราก็ไม่สบายใจไม่พอใจถ้าเราอยากจะให้ความไม่สบายใจไม่พอใจหายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราต้องเลิอกอยากให้เขาทําตามที่เราต้องการและการที่จะทํำให้ใจเราเลิกได้ใจเราต้องเห็นตายลักในในเรื่องที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ เมื่อเห็นว่าคนที่เราต้องการให้เขาทำอะไรตามที่เราต้องการนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอัตตาเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นคนอื่นซึ่งคนอื่นเราก็รู้อยู่ว่าเราไปสั่งให้เขาทำอะไรตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็สั่งได้บางเวลาก็ไม่ได้ เช่นลูกเราบางทีบอกให้ทําอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเขาก็ทําตามบางทีเขาก็ไม่ทําตามพอเขาไม่ทําตามเราก็ไม่พอใจอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องเห็นว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาก็ได้บางเวลาก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจ เราก็อย่าไปอยากให้เขาทำตามที่เราสั่งซถ้าให้คิดเผื่อไว้ว่าถ้าสั่งแล้วเขาทำตามก็ดีไปถ้าสั่งแล้วเขาไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เราก็ไม่หวังอะไรจากเขาเพราเราไม่หวังอะไรไม่ต้องการอะไรจากเขาเพราเราไม่ได้เราก็จะไม่เสียใจไม่สบาย ความไม่สบายใจก็จะไม่มี น, นี่คือตัวอย่างของปัญญาที่เราได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมนนปัญญาของพุาเจ้านี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตกว้างขวางอยู่แค่สองอย่างเท่านั้นเองอยู่ที่อริยสัจสี่และอยู่ที่ใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเอง ว่าเราเข้าใจการทำงานของอริยสัจสี่หรือไม่เราเข้าใจคำว่าตายรักนี้หรือไม่ท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจอริยสัจสี่เข้าใจตายรักนี้เราก็จะมีปัญญาที่จะสามารถใช้ในการกำจัดความทุกข์กระดับได้ความทุกข์ของเรานี้ท่านก็แบ่งไว้สี่ระดับด้วยกันระดับภาโสดาบัน ระดับพระสกิดาคามีระดับพระอนาคามีและระดับพระาอารหันต์นี่คือปัญญาที่จะทำให้เราก้าวขึ้นสู่โล ก, กุตละธรรมในแต่ระดับร ะ, ระดับระดับโสาบันระดับสกิดาคามีระดับอนาคามีระดับพระาอารหันต์ เราต้องใช้ใจรักษใช้อาริยสัจสเป็นเครื่องมือในการกําจัดความทุกข์ต่างๆบาสโสดาบันนี้กําจัดความทุกข์ได้ในการ<ม>เห็นไจรักในขันท่าขันท่าคืออะไรขันท่าก็คือองค์ประกอบของชีวิตของพวกเรานี้ที่พวกเรา ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรา ข, ขันธ์ที่หนึ่งก็คือรู ป, ปรขันธ์รู ป, ปรขันธ์นี้คืออะไรก็คือร่างกายที่เรามองเห็นกันนี้เองที่มีอาการสามสิบสองเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นปอดหัวใจตับลำไส้ ไตสมองและน้ำต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำเสเลดน้ำดีอะไรทํานองนี้นี่คือรูปปักษัที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเราแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นของพ่อแม่เราสร้างขึ้นมาให้เรา เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่เป็นผู้สร้างให้กับพวกเราแล้วพวกเราก็มารับจากพ่อแม่พวกเราคือดวงวิญญาณที่ตอนนั้นไม่มีร่างกายกำลังแสวงหาที่เกิดอยู่ดวงวิญญาณนี่แหละที่เรียกว่าสัมภเวสีผู้ที่ไม่มีที่อยู่เพราะว่าอยู่สวรรค์ก็อยู่ไม่ได้ อยู่อาบายก็อยู่ไม่ได้เพราะบุญที่ส่งให้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์หมดกาลังลงบาปที่ดึงให้ไปอยู่ในอาบายก็หมดกำลังลงก็เลยอยู่ในสวรรค์ไม่ได้อยู่ในอาบายไม่ได้ก็ต้องมารอรับร่างกายของพ่อแม่คนใหม่ที่กำลังจะสร้างร่างกาย ขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือคำว่าสัมภเวสีคือเป็นดวงวิญญาณที่กำลังรอรับร่างกายอันใหม่ของพ่อแม่คนใหม่พอมีพ่อแม่แต่งงานกันร่วมหลับนอนกันดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันก็จะมีการสร้างร่างกายขึ้นมาพอมีร่างกายขึ้นมาดวงวิญญาณของเรานี้ก็จะส่งกระแส วิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายนั้นทันทีเนี่ยเนี่ยวิญญาณนี้เรียกว่าเป็นวิญญาณขันหนึ่งในขันห้าเรามีรูปประขันคือร่างกายแล้วใจก็ส่งวิญญาณขันมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเพื่ออะไรเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ พอมีตาหูจมูกลิ้นกายมีวิญญาณทั้งห้ามาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอพอตาลืมเห็นภาพพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาพภาพก็จะวิ่งเข้ามาที่ใจทันทีใจก็จะรู้ว่าตอนนี้เห็นภาพแล้วเช่นเห็นภาพคนนั้นคนนี้เช่นลองหนับตาดูสมมติญาติโยมตอนนี้ลองหนับตาดู พอหลับตาปั๊บภาพนี้ไม่วิ่งเข้ามาในใจแล้วหายไปหมดกลายเป็นแต่ความมืดมองไม่เห็นอะไรเพราะตอนนั้นตาปิดไว้ภาพที่จะวิ่งมาทางสายของวิญญาณวิ่งมาไม่ได้ไม่มีภาพวิ่งเข้ามาใจก็เลยมองไม่เห็นภาพเห็นแต่ความมืดเวลาเราหลับตานี้เราจะเห็นแต่ความมืดเนี่ย แต่พอลืมตาขึ้นมาปั๊บภาพที่มาเกาะเข้ามาทางตามันก็วิ่งเข้ามาทางวิญญาณขันที่รับลูกส่งมาที่ใจให้ใช้เป็นผู้รู้เนี่ยพวกเรานี้คือผู้รู้พอภาพวิ่งเข้ามาถึงตัวเราเราก็เห็นเราก็เห็นภาพทันทีเนี่ยนี่คือขันขันที่สองเรียกว่าวิญญาณขัน เป็นส่วนของจิตใจเป็นส่วนของดวงวิญญาณไม่ใช่เป็นส่วนของร่างกายเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันพูดง่ายๆร่างกายนี้ไม่มีการรับรู้ไม่รู้ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรเนี่ยพอลืมตาภาพมันก็จะเข้ามาที่ตาเท่านั้นเหมือนกับกล้องเนี่ยกล้องถ่ายรูปเวลาเราใช้ให้มันถ่ายรูปอะไรมันไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไร เราต้องเป็นคนเขียนว่ารูปของคนนั้นรูปของคนนี้บันทึกไว้ในภาพอีกทีถึงจะรู้ว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่แต่ตัวกล้องเองมันไม่รู้ว่ามันถ่ายภาพอะไรร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันมองเห็นอะไรมันอาศัยใจผู้รู้เป็นผู้กําหนดรับรู้อีกทีหนึง่งพอภาพหรือรูปวิ่งเข้ามาที่ใจ ใจก็ใช้ขันอีกขันหนึ่งคือวินสัญญาสัญญาขันสัญญาคือผู้จําได้หมายรู้นคือภาพที่เห็นนี้บางทีถ้าเคยเห็นมาก่อนก็จะจําได้ถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะรับรู้ไว้ว่านี่คือภาพแบบนี้มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคราวหน้าพอเห็นภาพนี้ซ้ําอีกก็จะรู้ว่าอ๋อ ภาพนี้เคยเห็นแล้วถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับภาพเหล่านี้ก็จะจาได้เช่นเห็นรูปของคนนี้แล้วก็รู้ว่าชื่ออะไรมีอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนพอเาวหน้าพอเห็นรูปของคนนี้ก็จะจาได้หมายรู้ทันทีว่านี่คือรูปของคนนี้ชื่ออย่างนั้นมีอายุเท่านั้นเท่านี้บ้านอยู่ที่ไหน อันนี้เกิดหน้าที่ของสัญญาขันเนขันนี้เป็นขันที่สามต่อจากร่างกายต่อจากวิญญาณขันก็มาที่สัญญาขันพอสัญญาขันรับรู้ว่าเป็นภาพของคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดเวทนาขันขึ้นมาเวทนาขันจะมาเป็นผู้แสดงว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะรูปที่เราเห็นนี้บางรูปก็ให้ความสุขกับเราบางรูปก็ให้ความทุกข์กับเราบางรูปก็ไม่ได้ให้ความสุขหรือความทุกข์กับเราก็เราก็เลยจะมีเวทนาอยู่สามชนิดด้วยกันคือมีสุ ข, ขเวทนาทุก ข, ข์เวทนาไม่สุขไม่ทุก ข, ข์เวทนา อ, อันนี้เป็นขันธ์ที่สี่คือความรู้สึกรู้สึกสุข ทุกไม่สุขไม่ทุกที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขก็เกิดความสุขขึ้นมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าสังเวทนาขันขันที่สี่ขันที่ห้าก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่สุข ก็จะเกิดความคิดไปอย่างหนึ่งว่าถ้าสุขก็อยากจะได้ถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาก็จะเกิดความคิดไม่อยากจะได้ขึ้นมาก็จะสั่งให้ร่างกายไปทำตามความคิดพอได้อะไรที่เป็นสุขก็อยากจะได้ให้มาเป็นของเราให้อยู่กับเราไปนานๆถ้าอะไรเป็นทุกข์ก็อยากจะกำจัดมันให้หายไปเร็วๆเช่นพอปวดท้องนี่ หรือปวดศีรษะนี่ต้องรีบหายามารับประทานเพื่อกำจัดให้มันหายไปเร็วๆหรือถ้าไปเจอคนที่ปากไม่ดีชอบดา่าชอบว่าก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆไม่ อ, อยากจะอยู่ใกล้ก็สังขารก็จะสั่งให้ร่างกายเดินหนีไปหรือถ้าเป็นพวกชอบบกูก็ไปลุยกับคนที่พูดไม่ดี อันนี้ก็เป็นสังขารขันเนี่ยนี่คือขันห้าเนี่ยนี่คือองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราที่พวกเราคิดว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งพระพุทธเจ้าบอกทั้งห้านี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรารูปรขันเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของพ่อของแม่สร้างขึ้นมาให้เราเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งส่วนนามขันมีสี่ 4, คือ เออเกอวิญญาณขันสัญญาขันเมทนาขันสังขารขันนี้เป็นของใจผู้รู้ผู้รู้นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นาธาตรู้เป็นผู้รู้ร่างกายเป็นาธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟนี่ต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราขันห้าเราควบคุมบังคับไปสั่งให้มัน ทำตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปเราสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราสั่งให้สังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เป็นตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปเราอยากให้สุขตลอดเวลาใช่ไหม มันสุขตลอดหรือเวลารึเปล่าสุขกเวทานามันสุขตลอดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็ทุกเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วแต่ว่าอะไรมาเป็นตัวทําให้มันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่มาทําให้มันเป็นเป็นอย่างนั้นเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้คือรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้วทําให้เกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมา เราก็ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นสุขอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันเป็นสุขอย่างเดียวมันก็จะทำให้เราทุกข์ที่ใจอีกชั้นหนึ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจไม่ได้ดังใจหมายไม่ได้ดังที่ต้องการเช่นสั่งให้ลูกเป็นเด็กดีให้เชื่อฟังพอเด็กลูกไม่ยอมเชื่อฟังก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไปคิดว่า เขาเป็นของเราเราสั่งเขาได้แต่ความจริงเราสั่งเขาไม่ได้ตลอดไปจริงอยู่บางเวลาเราก็สั่งเขาได้แต่ถึงเวลาหนึ่งเขาก็จะไม่ยอมให้เราสั่งโดยเฉพาะเวลาที่เขาโตขึ้นแล้วเขาอยากจะเป็นตัวของเขาเองแล้วเราจะไปสั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้บางทีเขาไม่อยากจะทำตามเรา เขาก็จะไม่ทําตามที่เราสั่งได้เราก็จะเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญญาระดับของพระโสดาบันเราก็จะมองเขาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราก็ไม่ไปสั่งหรือไม่ไปหวังสั่งก็ไม่หวังสั่งถ้าเขาเชื่อก็ดีไปถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่าเขาก็ต้องไม่เชื่อเราอยู่แล้ว แต่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่สอนคนที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำแต่ถ้าเขายืนยันจะทำเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเพราะเรารู้ว่าเราสั่งเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราฉันใดสังขารสันห้านี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเราสั่งเขาไม่ได้ตลอดเวลาสั่งให้ร่างกายแข็งแรงสวยงามห ล, ล่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลานี้สั่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ลงไปเดี๋ยวสั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สั่งไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาสั่งให้มันไม่ตายก็สั่งไม่ได้ถึงเวลามันจะตายก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้ แต่ถ้าเราไม่ไปสั่งไม่ไปหวังเราจะไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือเรามาแก้ที่ความอยากของเราเท่านั้นเองความอยากที่แสดงไว้ในอริยสัจสีว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราพออยากแล้วไม่ได้ดั่งใจอยากใจเราก็ทุกข์ถ้าเราอยากให้ใจเราไม่ทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากการที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องเห็นใจรัก เห็นขันห้าว่าเป็นไตลักษณ์เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเวทนาความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกก็มีการเปลี่ยนไปจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เราไปสั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้พออยากมันก็จะทุกข์ พอรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากก็อยากไปอยากมันอยู่กับมันไปมันจะสุขก็ก็รู้ว่าสุขมันจะไม่สุขก็รู้ว่าไม่สุขมันจะทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์อยากไปอยากให้มันเปลี่ยนไปแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันนี่ถ้าเราทำตามหลักนี้ได้เราก็จะได้ปัญญาระดับของพระโสดาบัน พอเราได้ปัญญาระดับโสดาบันเราก็จะปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางรูปประขันคือร่างกายของเราได้ว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้เป็นตัวเราเราเพียงแต่มาเกาะมันอาศัยมันเป็นเครื่องมือพาเราให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราอยากจะเสพกันเท่านั้นเองแต่มันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันรักษาได้ก yes, ็รักษาไปดึงหนังได้ก็ดึงไปอยากจะให้มันยังไม่แก่ก็ดึงหนังกันไปอยากจะให้ยังไม่แก่ก um> ็ย้อมผมกันไปย้อมได้ก็ย้อมดึงได้ก็ดึงแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ดึงไม่ได้ย้อมไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง แต่ถ้าเราไม่ไปไปอยากไม่ไปฝืนธรรมชาติของมันเราจะไม่ทุกข์กันที่เราทุกข์เพราะเราไปฝืนธรรมชาติเนีย่ยนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของขันห้าของชีวิตของพวกเราว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราเป็นผู้รู้ที่มาเกาะติดมันเท่านั้นเ อ, ง, องนั้นเราให้รู้เฉยๆแล้วเราก็จะปลอดภยัยเราก็จะไม่ทุกข์กัน ที่เราทุกข์พะเราเกิดความอยากให้ขันห้าเป็นไปตามความต้องการของเราคืออยากให้มันเป็นจีรังอยากให้มันเป็นนิจังคือให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้มันเป็นสุขขังอยากใช้ห้มันสุขไปตลอดอยากให้มันเป็นอัตตาเป็นของเราไปตลอดแต่มันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาขันห้าเนี่ยพ่อเขา พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ปล่อยวางเหมือนไ่ตามความเป็นจริงก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครัร้งแรกคือทวัตธรรมจากกับปวัตนาสูตรให้แก่พระปัญจวัคคีพอแสดงธรรมเสร็จหนึ่งในพระปัญจวคัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมใด สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็น น, นันทจังเห็นว่าร่างกายให้เกิดมาแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยมันอย่าไปอยากให้มันไม่ดับเท่านั้นเองเพราะมันเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้ นี่แหละคือปัญญาการใช้ปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์ในระดับของอขั้นของพระโสดาบันพระโสดาบันจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอีกต่อไปอแล้วก็จะเห็นว่าดวงวิญญาณ น, นี้ใบเกิดในที่ต่างๆก็เพราะการทําบาปหรือไม่ทําบาปนั่นเองถ้าทําบาป ดวงวิญญาณนี้ก็จะไปเกิดในที่ต่ําที่เรียกว่าอบายถ้าไม่อยากจะไปอบายก็อย่าทํำบาปยอมตายดีกว่าเพราะยังไงร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีไปทํำบาปเพื่อป้องกัน ร, ร่างกายให้อยู่ไปต่อไปอีกไม่กี่วันเราต้องไปใช้โทษในอบายนี่มันขาดทุนสู้ยอมใหเม็นตายวันนี้ดีกว่ายืดเวลาไปอีกสองวัน อตต้องไปติดคุกติดตารางในอบายต้องไปตกนรกเช่นโกรธใครแค้นใครมากๆอยากจะฆ่าเขาอย่าไปฆ่าเขาดีกว่าถ้าเขาอยากจะฆ่าเราให้เขาฆ่าเราไปเรายอมตายแต่เราไม่ต้องไปอบายถ้าเราไปฆ่าเขาเราต้องไปอบายหลังจากที่เราตายไปถึงเราจะอยู่ต่อไปอีกไม่กี่วันก็ได้หลังจากที่เราฆ่าเขาแล้ว เพระโสดาบันนี้จะไม่ยอมทำบาปโดยเด็ดขาดแล้วพระโสดาบันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะว่าธรรมที่ใช้ในการปราบดับความทุกข์ก็มาจากพระพุทธเจ้านี่เองอริยสัจสีก็มาจากพระพุทธเจ้าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาจากพระพุทธเจ้าเมื่อ เมื่อเมื่อเห็นธรรมเห็นไตรลักเห็นอริยาาสัจสิจะไปสงใจผู้ที่ แสดงธรรมผู้ที่มอบธรรมอันนี้มาว่าไม่มีได้อย่างไรก็ต้องมีใครเป็นผู้ตัดสั้อริยสัจสีใครเป็นผู้ตัดสั้นุไตรัตกใครเป็นผู้เอาอริยสัจสี่ไตรักษมาสั่งสอนก็คือพระพุทธเจ้าก็าพระอัญญาณกอนทะยะฟังจากบาปพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงได้อย่างไร แต่สําหรับพวกเราสมัยนี้อาจจะสงสัยได้เพราะเราไม่เคยเห็นตัวพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่เรามีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนหรือคำหรือพระอริยรสงสาวกพอเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติไปทดลองไปพิสูจน์พอเราได้ผลตามที่ได้ยินได้ฟังมาเราก็จะไม่สงสัยว่าธรรมอันนี้มาจากใคร มาจากพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เป็นเรื่องนิยายแต่งกันขึ้นมาหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายเป็นของจริงของแท้ถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยตถาคตก็คือชื่อของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจะเรียกพระองค์ว่าเป็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมนี่อย่างนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนี่จะไม่มีความสนใจว่าจะต้องไปที่ประเทศอินเดียหรือไม่จะต้องไปที่สังเวชนิสสถานทั้งสี่หรือไม่ ที่ให้ไปก็เพราะสำหรับพวกที่ยังไม่สามารถปฏิบัติให้มีปัญญาขึ้นมาได้ยังลังเลยังสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่อย่างนี้อย่างน้อยถ้าไปที่อินเดียก็อยากได้ดูว่ามีสถานที่จริงนะสถานที่นี้เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าสถานที่นี้เป็นที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้า สถานที่นี้เป็นที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าสถานที่นี้เป็นที่ตายของพระพุทธเจ้าอพอเราไปเห็นสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ทําให้เร า, าหายสงสัยได้ในะดับหนึงว่าคงไม่คงไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยัน เหมือนกรุงศรีอยุธยาถึงแม้ว่ามันจะเหลือแต่ซากปล่กหักพังเราก็เชื่อว่าครั้งหนึ่งนี้เคยมีกรุงศรีอยุธยาอยู่ในประเทศเหล่านี้เคยเป็นเมืองหลวงของขอ ง, ของประเทศไทยมาก่อนแต่หลังจากเกิดสงครามถูกพม่าม า, มาทำลายก็เลยเหลือเป็นซากปล่กหักพังไป ถ้าเราอยากจะรู้ว่ากรุงศรีอยุธยามีจริงหรือไม่เราก็ว่าไปเที่ยวกรุงเก่าดูพอไปที่กรุงเก่าก็จะเห็นซากต่างๆซากของปราสาทราชวางังซากของวัดวารามต่างๆซากของบ้านเรือนต่างๆเราก็จะเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยานี้มีจริงเราก็จะไม่สงสัย ทันใดผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยังลังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปเยี่ยมสถานที่ทั้งสี่สถานที่นี้เพื่อปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นมานพอไปแล้วทีนี้ก็จะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์น ก็จะไม่สงสัยไม่กลัวถูกหลอกแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็แสดงว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงไม่ต้องการอะไรจากเราต้องการช่วยเหลือเ ร, เราให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะพอเรามีความมั่นใจตั้งใจปฏิบัติ เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเห็นธรรมขึ้นมาจากการปฏิบัติเนี่ยทีนี้ถ้าเห็นแบบนี้แล้วทีนี้จะไม่หลงไม่ลืมจะเป็นความเชื่ออย่างถาวรการไปอินเดียสักห้าปีสิบปีอาจจะลืมไปก็ได้หรือว่าเคยไปอินเดียมาก่อนแต่ถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนี้จะไม่มีวันหลงไม่มีวันลืม เป็นเป็นของที่จะฝังที่จะบรรจุอยู่ในใจเราไปตลอดพระโสดาบันนี้จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เซนจะมีศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เซและจะเป็นผู้เห็นธรรมที่จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นอย่างที่จะอยู่กับใจของพระโสดาบันไปตลอด ถึงแม้ว่าตายไปแล้วกลับมาไม่เจอพระพุทธศาสนาก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้เพราะธรรมที่เห็นนั้นอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่เหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้อยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็หมดไปกับร่างกาย แต่ธรรมที่ได้จากการปฏิบัติจากการเป็นพระโสดาบันคือการเห็นอริยสัจ ส, สีการเห็นตายลักษณ์นี้จะไม่หายไปจากใจกลับมาเกิดคราวหน้าต่อไปก็จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา เป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระโสดาบันจะไม่มีปัญหากับร่างกายเวลากลับมาเกิดเห็นความตายก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกโขดหูใจแต่พระโสดาบันยังมีกิเลสตัวอื่นที่ต้องคอยกำจัดต่อไปกิเลสของพระโสดาบันที่ยังเหลืออยู่ ตัวต่อไปก็คือกามารมกามาราคะยังชอบมีแฟนอยู่เห็นคนนั้นยังหน้าตาหล่อเ้ายังสวยงามเห็นแล้วยังอยากได้เขามาเป็นแฟนอยู่พอเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานอนไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่เขาอยากจะได้เขามาเป็นแฟนถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะเริ่มใช้ปัญญาเดินต่อ ว่าอ๋อทุกเราเกิดจากความอยากได้เขามาเป็นแฟนนี่เ้วทำยังไงจะทำให้เราไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนเราก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ปัญญาอะไรละ่ะที่จะมาแก้กามอารมณ์การมาราคะได้ก็คืออสุภะนี่เอง คือการมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเวลาเราเห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายเราก็จะเกิดความรักความชอบขึ้นมาเกิดการมาราคะขึ้นมาแต่พอเราไปมองเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามการมาราคะมันก็จะหายไปเห็นพระโสดาบันก็จะเริ่มมาหัดพิจารณาอสุภะมาดูร่างกาย ในส่วนที่ไม่สวยงามเช่นไปดูซากศพนี่เห็นคนตายเนี่ยพอเห็นคนตายเมื่อก่อนสวยเป็นดาราภาพยนตร์พอตายแล้วเห็นศพนี่เห็นยังไงก็ไม่เกิดการมาราคะเหมือนตอนที่เป็นมีชีวิตอยู่อย่างในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีพระรูปหนึ่งท่านก็มีปัญหากับเรื่องการมาราคะมากพอดีช่วงนั้นมีเนสูเพนีรูปหนึ่ง คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าสวยงามถึงแก่ความตายไปพระพุทธเจ้าก็บอกให้พระรูปนี้ไปพิจารณาศพของโสเภณีคนนี้พอไปเห็นศพของโสเพนีคนนี้แล้วการมราคะที่เคยมีอยู่นี้หายไปหมดนี่คือวิธีแก้วิธีที่กำจัดการมราคะตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่พระโสดาบัน ถ้าพระโสดาบันพิจารณาเห็นอสุภะแล้วทําให้กามาราคะลดน้อยเบาลงไปก็จะได้ทำขั้นที่สองบรรลุถึงขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีนี้ทําให้กามอารมณ์กามราคะเบาบางลงแต่ยังไม่หมดเพราะยังไม่ได้พิจารณาอสุภะทุกเวลานาที บางเวลาก็พิจารณาบางเวลาก็ไม่ได้พิจารณาเวลาที่ไม่ได้พิจารณาก็เกิดกามราคะขึ้นมาเวลาพิจารณากามราคะก็หายไปถ้าได้ขั้นสกิดาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่าหนึ่งชาติพระโสดาบันนี้ไม่จะจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติแต่พอได้ขั้นที่สองขั้นสกิดาคามีก็จะตัด การกลับมาเกิดในกามาพบเหลือหนึ่งชาตินั้นแล้วถ้าพิจารณาสุภาพต่อไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นสุภาพตลอดเวลาพอเห็นสุภาพตลอดเวลาการมาราคะก็จะหายไปตลอดหายไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไม่มีการมาราคะก็ไม่มีอะไรจะดึงให้กลับมาเกิดในกามาพบอีกต่อไปนี่คือขั้นที่สามขั้นของพระ อ, อนาคามี แต่พระอนาคามีก็ยังไปมีความรักความชอบกับความสงบของจิตนะที่มีอยู่ในจิตก็จะไปติดอยู่ที่รูปภพกับอารูปภพเพราะยังติดอยู่ในความสงบของรูปฌปานและอารูปฌานก็ต้องมาพิจารณารูปฌปานอารูปฌปานว่าเป็นไตรลักษณอีกเหมือนกันเป็นทุกข์เพราะไปอยากเสษเวลามันไม่สงบก็ทุกข์พอ พ อ, พอสงบก็หายทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเสกมันพิจารณาว่าจิตมันบางทีก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบมันจะสงบก็ปล่อยมันสงบไปไม่สงบก็อยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความสงบหรือไม่สงบได้ก็จะปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางอย่างอื่นที่มีอยู่ในใจ คือการถือตัวอัตตาตัวตนก็ยังอยู่ในใจอยู่การอยากได้พะนิพานอยากได้ความสงบที่ถาวรก็ยังเป็นกิเลสอยู่พอเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ขวางความสงบที่ถาวรที่แท้จริงก็ต้องปล่อยมัน ปล่อยการถือตัวใครจะด่าใครจะว่าใครจะดูถูกดูแคลนถึงแม้เราจะเป็นพระอนาคามีเขาเป็นผู้ตุชนก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เพราะตัวตวนมันไม่มีตัวตวนที่แท้จริงไม่มีตัวตัวที่แท้จริงก็คือตัวรู้ให้มันรู้เฉยเฉยไปแล้วก็อย่าไปหยากกับอะไรทั้งหมดทั้งปวงที่มี อยู่ในใจอย่าไปอยากให้ใจมันสงบใจพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์มันก็กลายเป็นกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวที่เรียกว่ า, าวิชา พอเข้าใจหลักนี้ก็ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยให้จิตมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะสงบก็ปล่อยมันสงบไปมันไม่สงบก็ปล่อยมันไม่สงบไปเหมือนปล่อยวางร่างกายเหมือนปล่อยวางเวทนาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้มันเป็นตามตรัก์ของมันไป พอปล่อยได้หมดทีนี้จิตก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจิตก็เลยเข้าสู่พระนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือระดับของการเจริญปัญญาในแต่ระดับจากการที่เราได้มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ก่อนที่เราจะเข้าในระดับปัญญาได้เราต้องผ่านระดับสมาธิไปให้ได้ก่อน ในเบื้องต้นเราต้องพยายามฝึกสมาธิด้วยการเจริญสติเจริญกรรมฐานให้จิตรวมเป็นสมาธิพอจิตรวมเป็นสมาธิได้ทีนี้เราก็มาศึกษาปัญญากันศึกษาอันนี้อริยสัจสี่ศึกษาใจลักษณ์กันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เอามาใช้คอยกำจัดความอยากต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราออกจากสมาธิมา พอเราใช้ อ, อริยาาสัจสีใช้ไตรักมาคอยกำจัดตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาต่อไปตัณหาทั้งสามนี้ก็จะถูกทำลายไปหมดใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะเข้าสู่พระนิพพานไป นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมฟังได้สองแบบด้วยกันฟังเพื่อให้เกิดความสงบคือสมาธิก็ให้ตั้งใจฟังเสียงธรรมไปไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจ ถ้าฟังให้เกิดปัญญาก็ให้นึกคิดตามทมที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเป็นปัญญาที่สามารถเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือเรื่องของการมาวัดในวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมโดยการฟังธรรมแบบสมาธิหรือฟังธรรมแบบปัญญา แล้วการพัฒนาการเจริญเติบโตก้าวหน้าของจิตใจในทางธรรมก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆต้องฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติสลับกันอย่าปฏิบัติอย่างเดียวอย่าฟังอย่างเดียวต้องทำทั้งสองอย่างสลับกันไปวันนี้มาฟังธรรมเดี๋ยวกลับไปไปปฏิบัติธรรมต่อ ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเกิดความอยากรู้ทมก็มาฟังทมใหม่ทำสลับกันไปอย่างนี้ต่อไปก็จะได้ปัญญาได้หลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมมิตจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถา มณีโชติราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระายุสุขีทีขายุโภภา พาวาทนาสีลิธสานิจังวุธาปจายโนจตารธร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลางสาช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามเชิญถามกันช่วงนี้ช่วงนี้ต้องขอหยุดคุยกันน ะ, อะตอนนี้เดี๋ยวจะคุยถามคำถามกันแนละ้วคุยกันขอให้เลื่อนไปสักพักก่อนเดี๋ยวให้เลอกอใครอยากจะถามคำถามขอให้เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยพราหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่มีการถามตอบ ป, ปัญหา ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ที่ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ยอดเ c e b o o k มี270ท่านค่ะ y o ย t u b บ257ท่านวิทยุออนไลน์25ท่านผู้รับฟังบนเขา185ท่านรวมเป็น737ท่านค่ะโอเค ใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้น่ uh. ะเมกลาบนักการเจ้าคะ่ะหนูจะถามว่าลุงหนูทุกวันพระลุงหนูจะมีอารมณ์ร้อนไม่ฟังคนอื่นหาเรื่องมาด่าคนในครอบครัวควรทำยังไงดีเจ้าค่ะก็เหมือนกับหมาเนี่ยหมามันเห่าหนูควรจะทำอะไรกับมันดี ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันเห่าไปถ้าลุงหนูเขาจะร้อนเขาจะพูดอะไรไม่ดีเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไปมีเรื่องกับเขาไม่ชอบฟังก็หนีไปหรือหาอะไรมาอุดหูอย่าไม่มีเรื่องถ้าพูดกับลุงเขาดีๆได้ขอให้ลุงอย่าทำอย่างนี้ถ้าเขาทำตามได้ก็ดีไป ถ้าเขาทำไม่ได้เราก็ทําอะไรไม่ได้เข้าใจไห ม, มกราบนามัสการเจ้าค่ะพอดีเคยได้ยินวิทยุมีพระองค์หนึ่งท่านบอกว่ารถเพื่อนฝากมาถามด้วยเจ้าค่ะว่าเขาเป็นสาวประเภทสองหรือเป็นทอมอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาบวชปฏิบัติธรรมแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าค่ะ คือการบวชนี่เขาห้ามพวกสาวประเภทสองมาบวชเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายกัะนแน่เดี๋ยวไปอยู่ใกล้พระแล้วเดี๋ยวก็เกิดจะมีปัญหาทางเพศได้ก็เลยห้ามไม่ให้บวชแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมหรือหลุดพ้นนี้ทุกคนปฏิบัติได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นพระก็หลุดพ้นได้ อยู่ที่ว่าได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าบาบวตแล้วไม่มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามาทําธุรกรรมทางเพศก็จะถูก <c oughs> จับศึกไปก็ได้เห็นเพื่อป้องกัน เ, เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงห้าม ไม่ให้สาวประเภทสองมาบวชอยู่กับพระเพราะพระเป็นเพศชายเดี๋ยวประเภทสองก็เป็นสาวเดี๋ยวก็เกิดอยากจะกอดพระขึ้นมาก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าสาวประเภทสองอยากปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติอยู่คนเดียวรอย่างนี้รู้สึกจะมีสำนักของพวกประเภทสองด้วยกัน ก็ไปอยู่ร่วมกันก็ใช้คําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติได้เหมือนกันคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่กําจัดเพศกําจัดไว้แม้แต่เด็กก็บรรลุได้เด็กตัวขนาดนี้ถ้ามีปัญญาสามารถปฏิบัติก็บรรลุได้สมัยพุทธกาลนี้มีสัมมาเนยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีสมมาเนยมาสอนพระที่บวชหลายสิบปีก็มี ยังมันไม่ได้อยู่ที่เพศหรืออยู่ที่วัยอยู่ที่ว่าสามารถปฏิบัติตามคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้แล้วก็มีปัญญาเห็นอนิสสังเห็นอริยาสาัจสาี่เห็นใจรักก็สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ไดมาทางนี้ทางขวามอือนี้ นุ่งส่งนะส่งหไหมกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะนูขอถามว่าการฟังธรรมนี่เป็นสมาธิอย่างหนึง่งแล้วเวลาหนูฟังธรรมหนูรู้สึกว่าจิตหนูสงบอ่ะค่ะหลังจากนี้ควรปฏิบัติยังไงต่อลคะคะ ก็ลองฟังแบบปัญญาดูฟังแล้วก็คิดตามนึกตามเหมือนนี้เวลาเรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยครูสอนอะไรเราก็ต้องนึกตามที่ครูสอนฟังธทมแล้วก็พยายามจดจำสิ่งที่ได้ฟังมาหรือฟังเพื่อให้เข้าใจไม่ต้องจดจำก็ได้ฟังแล้วก็อันไหนเข้าใจเราก็จะจำได้ แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติต่ออย่างวันนี้สอนให้ให้รู้จักอริยสัจสี่ให้รู้จักตาตรลักษ <Yeah. S 1> เราก็ต้องไปศึกษาขยายเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอริยสัจสี่นี้มีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> เกี่ยวกับเราอย่างไรไตรลักษณ์มีอะไรบ้างเราเอามาใช้กำจัดความอยากได้อย่างไร <Yeah. S 1> อันนี้เราก็ต้องไป คิดค้นดูต่อไปแล้วก็ลองเอาไปใช้กับเหตุการณ์จริงเวลาเราเกิดความไม่สบายใจนี่อริยาาสัจสีปรากฏขึ้นมาในใจแล้วคือความทุกข์ใจเราก็ต้องค้นหาดูว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากอันไหนเราต้องมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจแล้วเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องเห็นตรรัตนในสิ่งที่เราอยาก เห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขหรือเป็นอนัตตาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากสั่งเขาอยากห้ามเขาแล้วไม่ได้ดังใจก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาอย่างที่เมื่อกี้หนูถามว่าคุณปู่หรือคุณตาไม่ดีหรือคุณลุงจาไม่ได้เป็นใคร จะทำยังไงก็ทำยังไงถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาค่ะขอบคุณค่ะข อ, อถามมีคำถามนีกไหไ ด, ได้ได้ค่ะนิวอยากถามว่าการทำบุญไหนที่ให้กุศลและอันที่สสูงสุดคะก็กุศลมันมีเป็นระดับเนี่ยทำบุญทำทานก็ได้ระดับหนึ่งระดับศีลก็ได้อีกระดับหนึ่ง ระดับสมาธิก็ได้อีกระดับหนึ่งระดับปัญญาก็อีกระดับหนึ่งถ้าเป็นเหมือนธนบัตรมันก็มีหลายราคาธนาบัตรยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาททาในระดับต่างๆก็จะมีบุญมีกุศลไม่เท่ากันระดับสูงสุดก็คือปัญญาเหมือนบัตรธนบัตรใบละพัน สมาธิก็เหมือนธนบัตรใบละห้าร้อยสีลก็เหมือนธนบัตรใบละร้อยการทำบุญทำทานก็เหมือนธนบัตรใบละยี่สิบบาทแต่มันก็ต้องอยู่ที่ความสามารถไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าปัญญาเป็นระดับได้บุญมากเราจะไปทำทางปัญญาถ้าเรายังไม่มีความสามารถเราก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องไต่เต้าจากระดับต่าขึ้นไปสู่ระดับสูง เวลาต้องทำทานให้ได้ก่อนแล้วก็ไปรักษาศีลให้ได้รักษาศีลได้แล้วถึงต้องนั่งสมาธิให้ได้ถึงจะไปใช้ปัญญาได้ต่อไปเห็นเราก็ถ้าอยากจะได้ทำระดับสูงก็พยายามทำจากระดับต่ำไล่ขึ้นไป ทำบุญให้มากก่อนมีเงินมีทองแทนจะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นก็เอาไปทำบุญทาทานอย่างนี้จะทำให้เราได้ความสุขในระดับฐานแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะไปรักษาศีลต่อได้รักษาศีลห้าได้เพราะเราจะไม่ใช้เงินมากเมื่อก่อนเราใช้เงินมากเพราะเราต้องซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยู่เรื่อย เราก็ต้องหาเงินมากหาเงินมากบางทีอยากจะได้ง่ายๆเร็วๆมากๆา ก, ก็จะต้องทำบาปแต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหามากเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำบาปเราก็จะรักษาสีห้าได้พอรักษาสีห้าได้ต่อไปเราก็จะไปรักษาสีแปดไปหัดนั่งสมาธิได้ต้องทำไล่ขึ้นไปตามลาดับ ถ้าเราทําได้แล้วก็ทําไปเลยสมมุติเรานั่งสมาธิได้เราก็นั่งสมาธิถ้าเลือกระหว่างไปทําบุญทอดกรถิ่นกับไปปฏิบัติธรรมสามวันนี้ก็ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าได้บุญมากกว่าไปทอดกรถินนี่เลือกได้ถ้าเราไปทําได้ถ้าเรายังไปทําไม่ได้ก็ไปทอดกรถินก่อนเออเข้าใจมไหอ ที่มีคนถามเรื่องสัมภเวสีก็หมายความว่าในบรรดาสัตว์โลกทั้งหมดที่ยังมีการปฏิสนธิจิตก็เรียกว่าสัมภเวสีทั้งหมดรวมทั้งพระอริยบุคคลยกเว้นเพียงแต่พระอรหันต์นอกนั้นดวงจิตที่ยังต้องกลับมาเกิดในไตรภพ ก็ยังเรียกว่าเป็นสัมภเวสีไม่ใช่เพียงแต่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันที่ใช้เรียกแค่วิญญาณเร่ร่อนอย่างเดียวอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะก็เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็จากตำราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าอยากให้มั่นใจก็ลองไปค้นเปิดตำราดูค้นกูเกิลดูก็ได้เขียนคำว่าสัมภเวสีเข้าไปแล้วก็จะได้ความรู้จากตำราว่าสัมภเวสีนี้มีนิยามว่าอย่างไรมีความหมายว่าอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณธนากรมีสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งขอโอกาสครับ ถ้าเราเห็นพระท่านทำผิดพระวินยัยเรากล่าวบอกท่านเราจะบาปไหมครับออมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเหมาะสมหรือไม่เรามีหน้าที่ไปบอกท่านหรือไม่เพราะว่าการไปว่ากล่าวตักเตือนใครมันก็ต้องมีหน้าที่ของบุคคล น, นั้นเช่นตำรวจนี่ใครจอดรถผิดที่ตำรวจก็ไปกล่าวตักเตือนได้ เราไม่เป็นตำรวจไปกล่าวตักเตือนเดี๋ยวโดนเทษเตะเอาเห็นการที่เราจะไปบอกว่าพระทำผิดทำถูกถ้าเราไม่ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพระเราก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษกับเราอางนั้นก็ต้องไปบอกผู้บังคับบัญชาของพระอีกทีไปบอกเจ้าอาวาสของวัดนี้ว่าพระลูกวัดของท่านกําลังปฏิบัติไม่ถูกไม่ชอบขอให้ท่านช่วยพิจารณาด้วย นี่เราก็บอกอย่างนี้ได้แต่จะใบบอกกับพระนี่ต้องอยู่ว่าขึ้นอยู่ว่าเราคุยกับท่านได้หรือเปล่าท่านยินดีรับฟังเราหรือเปล่าอถ้าท่านเคยบอกว่าโยมถ้าอาตมาทําอะไรไม่ถูกช่วยเตือนหน่อยนะออถ้าอย่างนี้ก็บอกได้เหมือนกับโยมที่บอกพระว่าถ้าท่านต้องการอะไรก็บอกได้นะนี่พระก็ขอได้จากโยมที่บอกไว้ล่วงหน้าก่อน แต่ถ้าอยู่ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านต้องการอะไรมาขอได้ไปขอไม่ได้นะวันนี้ก็เหมือนกันงั้นเราต้องดูว่าเราพูดได้หรือเปล่าเขาฟังหรือเปล่าถ้าเราพูดไม่ได้เขาไม่ฟังก็อย่าไปพูดไม่เกิดประโยชน์กับจะเกิดโทษกับเรากับเขาเขาก็ไม่พอใจเราเราก็จะเสียใจคำถามจากคุณธนากรข้อที่สองค่ะ ในพรรษาเห็นพระท่านทำงานก่อสร้างภายในวดัดถือว่าผิดธรรมผิดธรรมวินัยหรือไม่ครับการก่อสร้างนี้ถ้าจำเป็นก็ไม่ผิดนะเพราะว่าพระก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมีศาลามีการซ่อมแซมเพียง <c oughs> แต่ว่าควรจะแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพราะว่านอกจาก การก่อสร้างแล้วพระก็ต้องศึกษาเริ่มเรียนปฏิบัติทําด้วยก็เหมือนกับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะถึงเวลาต้องเข้าห้องเรียนก็ต้องเข้าห้องเรียนแต่เวลากลับจากโรงเรียนมาอยากจะไปทํางานช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานก็ทําได้ถ้าไม่ทํา ใ, ให้การเรียนเสียออันนี้ก็เหมือนกันพระจะทํางานก่อสร้างบ้างก็ทําได้ถ้าจําเป็น แต่ถ้าถ้าไม่ทำให้การเรียนการศึกษาการปฏิบัติเสียก็ทำได้แต่ก็ควรจะทำพอต่อเหตุต่อผลต่อความจําเป็นอย่าถึงการทำงานอย่างอื่นมากสำคัญยิ่งกว่าการศึกษาการปฏิบัติทำเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณจิวทั ญ, ญพรนะคะตนเองป่วยไม่สามารถทำงานได้ ตัวเองต้องเก็บเงินเผื่อไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉินไม่มีความรู้สอนใครและร่างกายไม่แข็งแรงเช่นนี้ควรทำบุญแบบไหนเพื่อไม่ให้ลำบากในภพหน้าคะก็นั่งสมาธิไปรักษาศีลไปเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดหรือเกิดก็เกิดเป็นพรหมไปอย่างนี้ก็จะ ก็ทำได้งั้นก็ทำตามที่บุญกรรมให้กาหนดให้เรามาทำถ้าเราทำทานไม่ได้เราก็รักษาศีลไปฝึกสมาธิไปเจริญปัญญาไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเนื่อกลับมาเกิดเป็นพระอริยบุคคลพอมาบวชก็มีคนเลี้ยงดูอยู่ดีไม่ต้องอดิ้นร น, น, น, น, นก็ได้ คำถามต่อนะคะและการเก็บเงินไว้ในยามฉุกเฉินเพราะตัวเองไม่สามารถออกไปทํางานได้อีกแล้วเช่นนี้ถือว่าตนเองตรานีขี้เหนียวหรือไม่เจ้าคะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็อยู่ที่ว่าเก็บมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเก็บตามพอตอกความต้องการเพื่อเพื่อให้เลี้ยงดูร่างกายเราได้ก็ต้องเก็บไว้ แต่ถ้าเก็บมากเกินไปก็เรียกว่าจะเทวะตะนีก็ได้ห่วงก็ได้เหตนี้ก็ต้องคำนวณดูว่าเราจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่แล้วถ้ามีส่วนเกินเราก็เราก็อยากจะทำบุญก็เอาไปทำบุญได้คำถามต่อไปจากคุณปราโมทพระอาจารย์ครับ เวลาใช้ชีวิตปกติประจำวันบางครั้งก็สวดมนต์ในใจบางครั้งก็ภาวนาดูลมหายใจบางครั้งก็เห็นอสุภะในตัวเองและบางครั้งเห็นความไม่แน่นอนในชีวิตเกิดแก่เจ็บตายของเพื่อนร่วมโลกใจมันสลดลงครับทำให้เข้าใจธรรมมากขึ้นกราบขอบคุณในธรรมที่พระอาจารย์สั่งสอนครับ สาธุสาธุหมดแล้วเลยค่ะคำถามต่อไปจากคุณซีนหากนำเงินจากการขายกระเป๋าไปทำการสร้างโบสถ์จะได้บุญเต็มหรือไม่คะหรือได้บาปเพราะโกหกลูกค้าลูกกรับ ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยไขยข้อสงสัยหน่อยเจ้าค่ะอ๋อบุญก็ได้เต็มตามที่เราทําแต่บาปก็ยังมีอยู่ไปลบล้างบาปที่เราทำมาไม่ได้บุญทําบุญมาล้างบาปไม่ได้บุญเป็นบัญชีหนึ่งบาปเป็นบัญชีหนึ่งบาปก็ยังต้องไปใช้กรรมต่อไปบุญก็ไปรับผลบุญคําถามต่อไปจากคุณเบญจวัน การเจริญความสงบวิธีใดเพื่อให้จิตใจสงบสํารวมจากนั้นจึงพิจารณาด้วยจิตใจประกอบกับการฟังเพื่อตรวจสอบความเห็นของจิตใจเปลี่ยนตามคำสอนที่พระสงคอยสั่งสอนตามลำดับไปว่าเห็ น, หนตรงเห็นถูกปฏิบัติและเข้าใจถูกแล้วใหม่เจ้าคะ่ะ ก็ต้องปฏิบัติขั้นต้นให้ได้ก่อนคือขั้นสมาธิให้จิตสงบได้นานๆได้มากๆแล้วค่อยเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ให้ฝึกใช้ปัญญาคิดไปทางไตลักคิดไปทางอริยสัจสี่หรือถ้ายัางไม่เข้าใจก็พยายามฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะให้มากขึ้นแล้วก็จะรู้จักวิธีใช้อริยสัจสี 4, วิธีใช้ ใตรลักษณ์ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการพิจารณาปัญญาหลังออกจากสมาธิ<ม>โดยเห็นมรณานุสติหรือหมายถึงหรือไตร ล, ลักษณ์เป้าหมายคือการปล่อยวางใช่ไหมเจ้าคะใช่ปล่อยวางสิ่งที่เรายึด ติดที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราที่เราอยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันดับนี่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องดับคำถามจากคุณธนากรขอโอกาสครับเห็นพระท่านบวชได้นาน ในพระพุทธศาสนาท่านทำอย่างไรครับกราบสาธุก็ถามท่านดูสิแต่ละองค์ก็มีวิธีอยู่ไม่เหมือนกันบางองค์ก็อยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาบางองค์ก็อยู่ด้วยบุญบังสังสวดบางองค์ก็อยู่ด้วยตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นพระคงพระครูเป็นสังฆราชก็อยู่ได้นานเหมือนกัน อย่แต่ละองค์ก็มีวิธีอยู่นานไม่เหมือนกันต้องไปศึกษาไปถามดูแล้วเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบบุญบังสังสวดก็ได้จะเอาแบบเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเป็นสังฆราชก็ได้จะเอาแบบศีลสมาธิปัญญาก็ได้มีหลายวิธีด้วยกันในการที่จะอยู่เป็นพระได้นา น, น, าน คำถามต่อไปจากคุณกิ๊กเบญจวรรณน้อมกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะกราบเรียนถามว่าหากเราถือศีลแปดแล้วจำเป็นต้องเดินทางพักโรงแรมกลางทางเราไม่สามารถปูผ้านอนกับพื้นหรือนอนในรถได้ศีลไม่สมบูรณ์แบบนี้บาปใหม่เจ้าคะไม่อยากออกจากศีลแปดมาศีลห้าเจ้าคะ่ะ อ๋อก็ไม่บาปแล้วก็ก็นอนบนเตียงไปก็เพียงแต่ขาดไปข้อเดียวคือข้อข้อข้อที่แปดได้สิ้นเจ็ดสิ้นแปดนี่ก็ข้อที่แปด 7, นะ 8, ก็ร อ, อไว้เวลามีโอกาสที่นอนกับพื้นได้นอนกับอที่มันไม่นุ่มเกินไปได้ก็ค่อยนอนไปถ้าไม่มีก็นอนบนเตียงไปก็ได้อหรือเราจะ เราเราจะใช้การบังคับคือตั้งนาฬิกาปลุกไว้ไม่ให้มันนอนมากเกินไปเช่นเรารู้ว่าร่างกายนอนสักสี่ห้าชั่วโมงก็พอพอก็ตั้งนาฬิกาให้มันปลุกสี่ห้าชั่วโมงพอปลุกแล้วก็รีบลุกขึ้นมาก็เหมือนได้ถือศินแปดเพราะสินแปดนี้เป้าหมายคือไม่ให้เรานอนมากเกินไปเพื่อจะได้เอาเวลานอนมากเกินไปนี้มาฝึกสมาธินั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณเจ้าป่าเจ้าป่ากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับที่บ้านของกระผมมีสารเจ้าอยู่ที่และเก่ามากแล้วและจะนําสาลไปทิ้งแต่กระผมและครอบครัวมีความกลัวว่าจะเกิดเพศภัยเลยไม่นําไปทิ้งจะทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็ปล่อยไว้เฉยๆสิมันก็เคยอยู่มาได้ต้องนาน ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ากลัวไม่แน่ใจทำแล้วไม่สบายใจก็ปล่อยให้มันอยู่เฉยๆไปใช่ไหมคำถามก็ถามมาแบบนี้น้องถามใหม่เมื่อกี้ฟังไม่ไม่ที่บ้านของกระผมมีสารเจ้าที่อยู่และเก่ามากแล้วและจะนำสารไปทิ้ง แต่กระผมและครอบครัวมีความกลัวว่าจะเกิดเพศภัยเลยไม่กล้านําไปทิ้งจะทําอย่างไรดีครับพระอาจารย์ก็บรรณะซ่อมแซมก็ได้เนี่เมื่อมันเก่าก็เราก็ทําไปถ้าเราไม่สบายใจกับการเอาไปทิ้งเราไม่สบายใจกับสภาพที่เก่าเราก็มาปรับปรุงให้มันใหม่ให้มันดูก็ได้ ถึงแม้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เพื่อความสบายใจถ้าเอาไปทิ้งแล้วไม่สบายใจก็อย่าไปทำแล้วถ้าเห็นว่ามันดูในสภาพไม่น่าดูก็ปรับปรุงไปพัฒนาไปเหมือนบ้านที่มันเก่าชำรุดเราก็ซ่อมไปก็แล้วกันคาถามจากคุณแซมอนุรักษ์พระอรหันต์สามารถกราบ พระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันหรือพระสงฆ์ที่ไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์ได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเนี่ยคือการเป็นพระอริยนี้มันเป็นเป็นอริยในใจที่ร่างกายเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเราเห็นแต่ร่างกายเขาถ้าเราไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้ทดสอบธรรมะของเขาเราจะไม่รู้ว่า เขาเป็นขั้นไหนเราก็ต้องดูระดับอายุหรือพรรษาเป็นหลักเห็นถึงแม้ว่าพระอรหันต์มีเป็นสัมมาเนยหรือมีอายุพรรษาน้อยแล้วไปเจอพระที่ต่ำกว่าแต่มีพรรษามากกว่าพระที่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องเขาต้อนแสดงความลบความเคารพให้แก่พระที่มีพรรษามากกว่าถึงแม้ว่าจะมีธรรมต่ํากว่า เพราะว่านเราอยู่ในโลกสมมุติเราต้องใช้หลักของสมมุติคือเราดูที่อายุพรรษาเป็นหลักในการแสดงความเคารพให้ต่อกันและกันส่วนเรื่องของใจอั น, นี้เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่อยู่ในสมมุติของพวกเราเหตุนั้นเราต้องอย่าอันนี้เพียงแต่เรารู้ไว้เท่านั้นว่าจิตใจของคนนั้นสูงคนนั้ต่ำคนนี้เป็นมนุษย์คนนี้เป็นเทพคนนี้เป็นเปรตเนี้ยแต่ ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เขาเป็นเจ้านายเราเราก็ต้องแสดงความเคารพให้กับเขาไปดังั้นต้องรู้จักแยกแยะว่าเรื่องภายในใจนี้เป็นเรื่องที่ไม่เอามาใช้กับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเราต้องใช้เรื่องการแสดงความเคารพนี้เราใช้หลักของร่างกายเป็นหลัก ร, ร่างกายเขามีตำแหน่งมียศมีพรรษาอะไรทานองนี้เราก็ต้องวาดไปตาม